ซึ่งเป็นความหมายของสัมมาวาจาสัมมารกรรมตะและสัมมาอาชีวะที่เป็นองค์ของมรรคได้แก่การพูดการกระทำการประกอบอาชีวะอย่างใดก็ตามที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งปราศจากความทุจริตหรือความคิดเบียดเบียนกิ่งความคลุมถึงสุจริตที่เป็นคู่กันด้วยดังที่เคยยกมาแสดงไว้ตั้งแต่ต้นในที่นี้นามาแสดงอีกครั้งหนึ่งเพื่อตั้งเป็นฐาน และเป็นการทบทวนไปพร้อมกันดังนี้หนึ่งสัมมาวาจาเจรจาชอบได้แก่ละมุสาวาจเว้นการพูดเท็จคลุมสัจจวาจาพูดคำจริงละปิสุนาวาจาเว้นการพูด่อเสียดคลุมสมะกรณีวาจาพูดคำสมานสมัครี ละพรุสวาจาเว้นการพูดคำหยาบคลุมสัรหาวาจาพูดคำอ่อนหวานสุภาพละสัมผัสปลาปะเว้นการพูดเพอเจอ้อคลุมอัตถสันทิตาวาจาพูดคำมีประโยชน์ในอังกุตรนิกายจตุการนิบาตมีพุทธพจน์แสดงวจีสุจริตสีว่าได้แก่สัจจะวาจาพูดจริง ปิสุณวาจาพูดไม่ซอเสียดสัรหาวาจาพูดอ่อนหวานมันตาภาษาพูดด้วยความคิดสำหรับมันตาภาษาอัจกราไขความว่าพูดโดยใช้ปัญญากำหนดบางทีแปลกันว่าพูดพอประมาณแต่โดยใจความก็เหมือนกับที่แสดงไว้ข้างต้นคือพูดคำมีประโยชน์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 ค้าขายมนุษย์ 3. ม, มังสะวนิชาค้าขายเนื้อสัตว์อัทธกถาว่าเลี้ยงสัตว์ไว้ขาย 4. มัชาวนิชาค้าขายน้ำเมารวมสิ่งเสพติดทั้งหลายและหวิสวานิชาค้าขายยาพิษ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 ถ้าใครจะปรงชีวิตเราผู้อยากอยู่ไม่อยากตายรักสุขเลียดทุกข์ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เราก็ถ้าเราจะปรงชีวิตผู้อื่นผู้อยากอยู่ไม่อยากตายรักสุขเลียดทุกข์ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอื่นเหมือนกันสิ่งใดตัวเราเองไม่ชื่นชอบไม่พอใจถึงคนอื่นเขาก็ไม่ชื่นชอบไม่พอใจเหมือนกัน สิ่งใดตัวเราเองก็ไม่ชอบไม่พอใจชะไหนจะพึงเอาไปผูกใสยให้คนอื่นเล่าอริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วยอมงดเว้นจากปานาติบาศด้วยตนเองด้วยยอมชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากปานาติบาตด้วยยอมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปาณาติบาตด้วยกายสมาจารย์ของอริยาสาวกนั้นยอมบริสุทธ์ทั้งสมด้านอย่างนี้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 สิ่งใดตัวเราเองก็ไม่ชอบไม่พอใจฉไหนจะพึงเอาไปผูกใายให้คนอื่นเล่าอริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อด้วยตนเองด้วยย่อมชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อด้วยย่อมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อด้วยวจีสมาจารของอริยาสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์ทั้งสด้านอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือได้ยินบ้างไม่ว่าบุรุษนี้ลาปานติบาตเป็นผู้งดเว้นจากปานติบาตแล้วพระราชาทั้งหลายจับเข้ามาประหารจองจํำเมระเทศหรือกระทําการตามปัจจัยเพราะการงดเว้นจากปานตาิบาตเป็นเหตุอย่างนี้เธอทั้งหลายเคยเห็นหรือเคยได้ยินบ้างไหมทูลตอบว่า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 เคยเห็นเคยได้ยินและจักได้ยินต่อไปด้วยพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจว่าอย่างไรเธอทั้งหลายเคยได้เห็นหรือได้ยินบ้างไม่ว่าบุรุษนี้ลาอาินนาทานเป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทานแล้วลาจากกาเมสุมิชาจารแล้วจากมุสาวาสแล้วจากสุราเมรยามัชปมาทฐานแล้ว พระราชาทั้งหลายจับเข้ามาประหารจองจำเนรเทศหรือกระทาการตามปัจัยเพราะการงดเว้นจากอธินนาทานจากกาเมสุมิชาจา์จากมุสาวาศจากสุราเมระยะมชประมาณทฐานเป็นเหตุทูลตอบว่าไม่เคยเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมีแต่เขาจะประกาศการกระทาชั่วว่า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 เราหมัววุ่นวายระสาระสายยุ่งแต่กับการแก้ปัญหาและมีแต่กิจกรรมที่บอนทำลายสังคมให้เสื่อมโทรมลงไปโดยในย่านี้การขาดสินห้าจะเนื่องมาจากเหตุใดก็าตามจึงเป็นมาตรฐานวัดความเสื่อมโทรมของสังคมส่วนสภาพพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตที่ตรงข้ามจากนี้นั่นแหละคือการมีสินห้าดังนั้นศินห้า